นอบ น, น้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโอกาสเพื่อนสถามิทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านในพระศาสนามีคำสอนต่างๆมากมายถึงแปดหมืสี่พันมธรรมคันหรือว่าพระไตรปิฎกก็มีถึงสี่ห้าเล่มนะี่มีมากเนาะครนี้ ถ้าผู้ใดจับประเด็นไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะศึกษาตรงไหนดีเนะเพราะมีมากมายเหลือเกินครา้นนี้ถ้าจะจับประเด็นจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะจับได้เป็น2ประเด็นคือคาสอนของพระสัตนานั้นประการแรกก็คือช <c oughs> ี้ให้เราเห็นความทุกข์ให้รู้จักความทุกข์แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเมื่อเห็นความทุกข์แล้วก็คือปฏิบัต ให้ถึงความดับทุกข์เนาะนี่แหละคือหลักการสําคัญของศาสนาะเนาะขัีฑประการแรกก็คือเราเห็นความทุกข์หรื อ, อยังเนาะก็เคยชวนคนให้มาปฏิบัติธรรมอก็นะาถามว่าจะบัติธรรมไปทําไมบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์ก็จะลดน้อยลงก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์เลยเลยเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จึงไม่ปฏิบัติธรรม อำ น, นี้ก็คือคนส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้นะก็คือไม่อยากปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเพราะการปบัติธรรมมันเป็นการฝืนกิเลสเนาะเราจะทำอะไรตามใจก็ไม่ได้ถูกบังคับต่างๆหรือว่าแม้แต่ปฏิบัติด้วยตัวเองมันก็เป็นการฝืนกิเลสอยู่ดีเพระเาะฉะนั้นคนสมมากก็ก็หลีกเรื่องการบัตธรรมอยู่แล้วนะก็จึงมีเหตุต่างๆมาบอกว่าเออไม่ปฏิบัตธรรมหรอกเนาะเราก็ไม่เห็นความทุกข์ด้วยเนาะคราวนี้ความทุกข์มีอยู่จริงไหม อย่างที่เราได้ทำวัตรชาไปแล้วน ะ, ะชาติเป็นทุกขะความเกิดก็เป็นทุกข์ชราเป็นทุกขะความแก่ก็เป็นทุกข์มรณำเป็นทุกขะความตายก็เป็นทุกข์โสกปรลิเทวัตุกรโทมนัสสุปายาสาปินทุกขาความโศกความร่าไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ การพัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์เนาะนี่พระเจ้าพูดไ ป, ไปชัดเจนเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่ความที่เราเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละมันก็เป็นความทุกข์นะรวมทั้งที่เราประสบความประสบต่างๆนะที่ความรักบ้างความไม่พอใจบ้างที่เราพัดภาคบ้างนะ ก็โดยสรุปว่าขันทั้ง5้านี่แหละคือกายและใจ <c oughs> นี่แหละคือตัวทุกข์เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เรายังมีกายมีใจอยู่อันนี้มันต้องทุกข์แน่นอนใช่ไหมเราไม่ได้มีอย่างอื่นเลยมีแค่กายและใจนี่แหละครับขันนี้กายเนี่ยมันมีความทุกข์จริงไหมนะกายมีความทุกข์แน่นอนใช่ไหมเรานั่งมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็รู้สึกปวดเมื่อยนี่แหละคือความทุกข์เนาะหรือบางทีง่วงง่วงรู้สึกง่วงง่ว ง, ง, วงนี่ก็เป็นความทุกข์ นะหรือบางท่านกรู้สึกหิวโอ้หิวแล้วนะก็เป็นความทุกขนะ์หรือหนาวหนาวอากาศหนาวหนาวก็เป็นความทุกข์หนระือเบื่อก็เป็นความทุกข์เนี่ยก็เป็นความทุกข์ในทางร่างกายของเรานะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเราหลีกหนีไม่พ้นเราก็ต้องดูแลบํารุงรักษาเขาไปเรื่อยๆเนอะเหมือนกับเรามีรถยนต์ก็ต้องคอยอซ่อมบํารุงไปเรื่อยๆร่างกายก็เหมือนกันนะมันหนีไม่พ้นความทุกข์หรอก มันจะต้องหิวต้องง่วงต้องอะไรอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการแก้ความทุกข์ในทางกายมันแก้ไม่ได้นะเราก็แค่บรรเทาทุกข์เท่านั้นเอง <c oughs> ก็คือหิวก็ไปทานอาหารเดี <c> ๋ย <oughs> วก็ต้องหิวใหม่นะง่วงไปนอนก็ต้องนอนง่วงไปนอนตื่นขึ้นมาไว้ก็ต้องไปนอนอีกใช่ไหมเรานั่งเราเมื่อยก็ลุกขึ้นมันเดิน <c oughs> เดินแล้วก็ต้องกลับมานั่งใหม่นะก็เป็นการแก้ทุกข์ไปเรื่อยนันะมันมันมันไม่อาจที่จะดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะ ตัวทุกข์อีกตัวหนึ่งคือความทุกข์ในทางใจนะความทุกข์ในทางใจก็เป็นทุกข์ที่ร้ายแรงน่ากลัวนะเพราะเป็นเหตุให้คนฆ่าตัวตายได้เราก็จะไม่ค่อยเห็นคนที่อยู่นอนตามใต้สะพานหรือเก็บขยะอันนี้เขาไม่ค่อยฆ่าตัวตายหรอกแต่คนที่ฐานะดีนะพวกนี้จะฆ่าตัวตายกันมากแล้วเขาก็มีความทุกข์ทุกข์ใจนี่แหละ เราหาทางออกไม่ได้นะมีทางตันนะไปไม่เจอทางไหนออกจากความคิดไม่ได้นะความผิดหวังจากความรักบ้างจากเศรษฐกิจบ้างหรือนะความขับแย้งใจต่างๆก็ไปฆ่าตัวตายกันนะทางทางที่ร่างกายก็แข็งแรงนะหรือก็มีทรัพย์สินพอสมควรเนาะอันนี้จึงเห็นได้ว่าความทุกข์ในทางใจนี้ อ, นอันตรายลายลายข า, าดยิ่งกว่าความทุกข์ในทางร่างกายเนาะ แต่ความทุกข์ในทางใจเนี่ยถึงว่าจะร้ายแรงกว่าแต่กับสา ม, มารถที่จะดับได้เด็ดขาดคือทําให้หมดสิ้นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านก็มีความทุกข์ในทางกายเท่านั้นนะแต่จิตใจท่านก็ไม่มีความทุกข์แล้วเพราะว่าท่านล ะ, ะความทุกข์ในทางจิตใจท่านได้เด็ดขาดพราะการบัตรธรรมก็หมายความว่าเราไปบัติเพื่อการละความทุกข์ในด้านจิตใจให้เด็ดขาดนั่นเองเนาะอันเป็นคนทางของการพ้นทุกข์ นีครั้ น, นี้มันก็อเขาก็บอกไปว่าเอออันนี้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเขาก็ไม่กลัวหรอกใช่ไหมคนเราก็ต้องตายทุกคนมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะเขาก็เป็นเรื่องธรรมดานะถึงจะบไข้ได้ป่วยก็เข้าโรงพยาบาลได้ไม่มีปัญหาอะไรเนะทุกอย่างมันก็ไม่ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาก็ยังไม่เข้าใจจริงๆว่าทุกข์แท้จริงนั้นมันไม่ใช่มีเพียงแค่นี้ แต่จริงๆแล้วก็คือทุกในสังสารวัตรต่างหากเนาะที่บุญเจ้าได้ทรงออกบวชจากที่ทรงอยู่ในพระราชวังมีความสุขมากแต่ทําไมต้องมาอยู่กลางดินกินกลางทรายด้วยความทุกข์ลำบากก็เพราะว่าต้องการที่จะออกจากทุกในสังสารวัตมากกว่านะี่ไหมทุกในเรื่องปกติเนี่ยอันนี้ท่านก็มีความสุขกับคนธรรมดาอยู่แล้วเนาะแต่ท่านต้องการออกจากทุกในสังสารวัตรที่การเวียนไว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละนี่แหละคือความทุกข์ที่แท้จริงนะคือ ทุกในสังสวัสินั่นเองจากการที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนับพนมชาติไม่ท้วนนะเพราะฉะนั้นการแบบธรรมนี้เมื่อเราสามารถดับความทุกข์ทางใจได้ก็หมายความว่าเราดับกิเลสนั่นเองนะกิเลสในทางใจนี่แหล ะ, ะต้นไม้ที่สูงสับส0เมตรนั้นก็เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เล็กนิดเดียวใจ <c oughs> ใจที่ยังมีกิเลสอยู่แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเหตุนําให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่นับพนนับชาติไม่ท้วน เพราะนั้นการที่เรามีกิเลสนั่นแหละมันเป็นเหตุนําเราเกิดใหม่เราจะสามารถที่จะดับกิเลสนในใจเราได้ไหมเราก็จะดับอย่างไรนี่แหละคือขนทางแห่งการบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ที่แท้จริงเนาะครนี้ขนทางที่ปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงชี้ไว้ในสติปัฏฐาน4ก็คือให้ปบัติในเรื่องอากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตามนุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเรียกย่อยๆว่ากายเวทนาจิตธรรมนะอันนี้หนทางนี้ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าอันนี้เป็นหนทางอันเองนะสามารถปฏิธรรมได้แล้วก็สามารถพ้นทุกข์ได้จริงๆนะครั้นี้ก็มาเริ่มก็คือการตามรู้กายนะแล้วก็ตามรู้ใจอันนี้ก็คือหลักการใหญ่พระเรามีกายและใจเท่านั้นนะกายเราเป็นอย่างไรเรารู้ทันไหมใช่ไหม พระเจาก็ได้ทรงแสดงไว้ว่ายืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งใรู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนก็คือรู้ในบทใหญ่ทั้ง4ี่ยืนเดินนั่งนอนนี่เนาะคือการที่กลับมารู้ในสภาพปัจจุบันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนาะเราต้องอยู่ในบทใดบทหนึ่งแน่นอนนะไม่นั่งก็นอนไม่นอนก็เดินต่างๆเหล่านี้มันไม่ออกใจบททั้ง4ไปได้กนะ็กลับมารู้ตรงนี้นั่นแหละ นะตอนนี้ถ้าเรานั่งอยู่เรารู้ไหมว่าเรานั่งถ้าเรารู้เรานั่ ง, งก็ชิวเราได้ไปปฏิธรรมแล้วเนาะต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสแสดงในเรื่องอิบทย่อยต่างๆอันเรียกว่าสัมปชัญญะป ร, ะระับะก็ได้แก่เลีเ้ยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนทรงจีวรสังฆติดื่มลิ้มกินเคี้ยวจระปัะสวะก็ให้รู้สึกตัวในขณะนั้นว่ากําลังทําอะไรอยู่นะก็คือให้เรากลับมารู้ในอิบบทย่อยต่างๆ ในขณะปัจจุบันนั่นเองว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เ น, ะนาะขณะนี้เราอาจจะนั่งพลิกมือพลิกมือไปพลิกมือมาหรือนั่งสร้างยังหวะนั่นนี้เรารู้ไหมว่าอีบดย่อยเนี่ยเราเรารู้ไหมกําลังทําสิ่งเหล่านี้อยู่ใช่ไหมหรือเรา <c oughs> ทำํำ อ, อาจจะสวดมนเราปากเราขมุบมิดนะหรือก็พริบตาต่างๆเนะเาะเรารู้ทันไหมเนาะแต่ก็พริบตามันอาจจะละเอียดเกินไปนะมันแล้วมนันเป็นเรื่องที่ว่า มันมันเป็นธรรมชาติของมันแต่การที่เราพลิกมือก็ดีหรือยกมือก็ดีอันนี้มันต้องมีเจตนาด้วยนะมันต้องมีความตั้งใจซึ่งต่างกับการกระพริบตานะอันนั้นเป็นเรื่องที่ว่าเขาเป็นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ปัจจุบันส่วนเนื้อคือเราก็ต้องมีความตั้งใจที่จะอยู่กัเข้าด้วยที่จะต้องรู้สึกตัวจริงๆนะมีเจตนาในการเคลื่อนการหยุดต่างๆเหล่านี้น ะ, ะก็เป็น เหตุที่เราสามารถที่จะแก้ความเคยชินได้ใช่หมเพราะว่าความเคยชินมันเป็นสิ่งที่เราติดตัวมาแล้วตั้งแต่เกิดเนาะจนปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างเช่นเราเดินนะเราเดินมาตลอดชีวิตแล้วเราสังเกตได้ไ้ยว่าเราเดินด้วยความรู้สึกตัวหรือเป็นความเคยชินเนาะส่วนใหญ่ก็คือเป็นความเคยชินนะเราเดินเราก็ไม่รู้ว่าเรากาลังเดินหรอกแต่แเราเดินเราก็คิดไปนะเดี๋ยวจะไปทางานทันไหมรถจะติดไหม เย็นนี่จะไปไหนดีจะไปกินข้าวที่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้คือเดินก็จริงแต่ว่าไม่ได้กลับมารู้ว่าเรากำลังเดินแต่ว่าเป็นความเคยชินที่เราเดินโดยอัตโนมัติแล้วก็มีความคิดเป็นในเรื่องต่างๆแต่ไม่ได้กลับมารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนาะอันนี้คือสิ่งที่เราว่าเราเราหลงไปเนาะเราแปลงปันเวลาสาสี่ครั้งล้วก็ไม่รู้ว่าเรากลังแปลงเนาะเราจะรู้บ้างแต่มันก็น้อย มันปไปด้วยความเคยชินทานหานด้วยความเคยชินกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าก็ทําด้วยความเคยชินทั้งนั้นในขณะที่เราทำํำเราก็ไม่เคยกลับมารู้ะลรว่ากำลังทําอะไรอยู่เนาะสิ่งนั้นก็คือพระพุทธเจ้าให้กลับมารู้เท่านั้นเองเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่ปัจจุบันนี่แหละใช่ไหมกลับมารู้สึกตัวอยู่กับปัจจนะุบันอาศัยความที่เป็นปัจจุบันนี่แหละอันนี้นปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราสามารถออกจากความเคยชินได้ ความเคยชินคืออะไรความเคยชินก็คือความคิดนั่นเองนะการหลงเข้าไปในความคิดต่างๆนั่นแหละคือความเคยชินความคิดมันคิดมันเองอยู่เรื่อยๆนะมันคิดมันทั้งวันนั่นแหละแล้วเราก็หลงเข้าไปในความคิดปรุงแต่งเข้าไปไหลเข้าไปแต่ไม่ได้กลับมารู้เลยว่าขณะนี้เรากำลังคิดอยู่ไม่ได้กลับมารู้เลยว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นี่แหละมันเป็นความเคยชินที่มันเป็นความหลงเพราะฉะนั้นก็ให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละรู้ไหมกำลังทําอะไรอยู่เนาะ ก็ให้รู้ที่กายเออเ <c oughs> พราะว่ากายเนี่ยแหละมันเป็นสภาวะที่เป็นปัจจุบัน จ, จริงๆปัจจุบันก็คือเรานั่งเะเราก็ไม่ได้ไปคิดเรากำลัง น, นั่งใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงที่ปรากฏขึ้นในในปัจจบุบันนี้หรือเรากําลังอพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายเราก็ไม่ต้คิดว่าเออพลิกหนอกําลังพลิกหนอไม่ไม่ไมัน ไ, ไ, ไม่ต้องคิดเช่นนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้รู้จากความเป็นจริงที่มันปรากฏในปัจจบุบันนะอาศัยแค่ความรู้เท่านั้นเองเนาะ หรือการที่เราได้ยินเสียงเราก็ไม่ได้คิดว่ายินหนอกําลังได้ยินนะแต่ไมนเป็นเรื่องความจริงในะปัจจุบันที่ว่าเรากําลังได้ยินจริงๆมันเป็นแค่ความรู้เท่านั้นเองนะอื ückt. เพราะงั้นการที่เราอยู่ปัจจุบันก็คือมันออกจากความคิดได้ออกจากความคิดต่างๆมาเป็นตัวรู้การที่เรารู้กับปัจจุบันนั่นแหละนี่แหละคือความรู้สึกตัวเนาะความรู้สึกตัวก็คือเราออกจากความคิดในการต่ตางๆมากลับมารู้แทนเนาะแต่ในนาดเดียวกันเราก็ไม่ได้ห้ามความคิดนะ แต่เรากลับมารู้นะเมื่อเรากลับมารู้ปุ๊บไอ้ความคิดที่มันเป็นความหลงทัทบหมดเลยมันก็หายไปนะความหลงก็คือมันมันไม่ได้มันไม่ได้มีความรู้อะไรเกิดขึ้นมันก็จิตมก็เลยทํางานไปตามสบายสบายก็นั่นแหละมันชอบคิดอยู่แล้วก็คิดไหลวนไปวนมาเรื่องนู่เรื่องนี้คิดเรื่องนู่นไปเรื่องนู้นต่อคิดใน5เรื่องสิเรื่องคือตามนิสัยของจิตมันคิดอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ชอบคิดนะมันหลงไปนั่นแหละแต่เมื่อใดที่เขากลับมาเริ่มรู้แล้วเออขณะนี้กำลังทําอยู่นะ ขณะนี้กำลังพลิกมือพลิกด้วยตั้งใจท่านไม่พลิกด้วยความเคยชินเนด็กพลิกด้ความเคชินก็เหมือนกับกะพริบตาทนั้นแหละมันมันไม่รู้สึกตัวหรอกแต่มีความตั้งใจในการพลิกมือหรือยกมือปุ๊บเมื่อมีความตั้งใจปุ๊บมันจะไปแก้ความเคยชินนะความเคยชินคือความเคยชินนี่ก็อย่างที่ว่าคือการคิดนะมันก็จะดับไปก็กลับมาดูแทนนะกลับมารู้แทนนะแท น, นี่ก็คือการอยู่ปัจจุบันเนาะอย่างเช่น เมื่อวานนี้เราทานข้าวกับไรใชไหเราก็ต้องคิดเนาะทานข้าวกับอะไรเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่เอาศัยความคิดเลยหรืออนาคตเราจะทําอะไรพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ต้องอาศัยความคิดแต่ปัจจุบันก็ไม่เอาใัยความคิดเพราะฉะนั้นการที่มีความคิดมันจึงไหลเข้าไปในอดีตหรืออนาคตนะมันไม่ได้มีความคิดอยู่ปัจจุบันแต่มันเป็นการไหลไปในอดีตหรืออนาคตเพราะเมื่ออยู่กับปัจจุบันปุ๊บอดีตแลออนาคตมันก็เลยดับไปนะมันก็กลับไม่รู้สึกตัวได้จริงๆ มก็เราอาศัยตรงนีเน้เป็นเครื่องอยู่ของจิตใช่ไหมเหมือนก็ว่าให้จิตเขามีเครื่องอยู่มีงานทํามีบ้านอาศัยนะเป็นสิ่งที่ว่าให้จิตเขารู้อยู่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าเป็นวิหารธรรมนะเมื่อจิตมีวิหารธรรมในการเป็นเครื่องรู้มีกายเป็นเครื่องรู้แล้วจิตก็ไม่ไปไกลนะจิตก็มันก็สามารถที่จะคลอเคลียอยู่กับความรู้สึกตัวนี้แหละมันก็ไม่ได้ไปไกลนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ามความคิดนะ เมื่อไม่ได้ห้ามความคิดก็ก็วิ่งไปได้ในชะ่ไหมวิ่งเข้าไปในความคิดต่างๆแต่เรา <c oughs> จะสังเกตได้ไหมว่าเมื่อเข้าไปแล้วเราไม่ได้ห้ามเขาแต่เมื่อใดที่เรารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะหยุดเขาก็จะดับได้นะับเขาก็จ ะ, จะดับตัวอย่างหนึ่งถ้าเขาไม่ดับเขายังคิดต่อเราก็สามารถเห็นความคิดได้เออกำลังคิดนเราก็รู้ทันเนาะตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญในการปฏิบนะัติธรรมเนาะหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้เห็นความคิดแล้วก็ไม่เข้าไปในความคิด แล้วก็ไม่ห้ามความคิดเนาะตรงนี้เราก็สามารถเห็นความคิดได้โอ้คิดไปแล้วนะเมื่อกี้เราคิดไปแล้วอเราก็รู้สึกตัวได้เออเมื่อกี้คิดไปแล้วหรือตอนนี้ก็ยังเห็นความคิดอยู่นะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันคิดเราไม่รู้กําลังคิดแต่ตอนนี้ถึงเขาคิดเราก็รู้ทันถึงก็ไม่ดับเราก็รู้ทันรู้ทันความคิดนั่นเองนะนี่ก็เป็นประโยชน์มากใช่ไหมตรงนี้มันก็พัฒนาการรู้สึกตัวขึ้นมาได้เรื่อยๆเพราะว่าความคิดเนี่ยเราห้ามก็ไม่ได้หรอกนะ หลมมาเทียนก็เลยบอกว่ายิ่งคิดก็ ย, ยิ่งรู้นะคิดร้อยครั้งเรารู้สักห้าสิบครั้งเนี่ยแสดงว่าเราจิตเริ่มตื่นตัวแล้วเพาราะเราเริ่มเห็นความคิดได้บ่อยขึ้นนะความคิดคือความหลงไปเมื่อใดที่มันหลงเราเรารู้นั่นแหละจิตมันจะตื่นตัวขึ้นมาครั้งหนึ่งจิตที่มันหลงไปนะมันเป็นความที่มันหลงไปแต่ตามใดที่เรารู้ความหลงนั่นแหละจิตจะตื่นตัวขึ้นมาตื่นตัวก็มาบ่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> ตรงนี้มันเป็นการพัฒนาสติให้เกิดขึ้น สติคืออะไร <c oughs> สติก็คือความระลึกได้นั่นเองระลึกได้ว่าอะไรระลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วนะระลึกได้กำลังโกรธกำ ล, ลังรักกำลังชังนะเกิดสัมมชัญญะขึ้นมาคือรู้สึกตัวในขณะปัจบันนี้ว่ากําลังทำอะไรอยู่กลาลังยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดนี่แหละเพราะนั้นสติและสัมมชัญยะเนี่ยก็คือสภาวะอย่างหนึ่งที่ว่าออกจากความหลงหรือความเคยชินต่างๆกลับมารู้สึกตัวมันจึงเป็นการพัฒนาให้จิตเข้าตื่นรู้ขึ้นมาเนาะ เพราะฉนั้นปฏิบัติธรรมโดยวิธีจริตสตินี้ไม่ใช่ว่าให้จิตกขาส ง, งบนิ่งนะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขารู้ไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นสมถะไปเพราะว่าเมื่อใดที่เกิดการเพ่งการจ้องให้จิตส ง, งบนั่นแหละมันเป็นสมถะไปธาตุทั้นั้นนะแต่ว่าเป็นการปฏิบัติให้จิตเขาตื่นรู้ตื่นรู้ในปฏจจบันนี้มากกว่าเนาะจิตที่ตื่นรู้เนี่ยมันเป็ น, ปนการเขย่าให้เขาตื่นขึ้นมาว่เาเราทุกคนมีธาตุรู้อยู่แล้วก็เลยเขา เ, ยาเป็นวิญญาณธาตุ แต่เมื่อใดที่ยังไม่มีการให้เขาตื่นขึ้นมาจริงๆเขาก็จะหลับอยู่เรื่อยๆนะเขาจะตื่นบ้างเป็นบางครั้งแล้วเขาก็จะอยู่เงเก่านะแต่เมื่อไใดที่เราเริ่มเขย่าเขารู้บ่อยๆกลับมารู้สึกตัวบ่อยนะกลับมารู้ในปัจจุบันบ่อยๆแล้วเนี่ยจิตก็จะตื่นรู้ขึ้นมาได้นะเราแค่กระทบเท่านั้นเองเราจะรู้สึกเออตอนนี้จิตมันเริ่มตื่นรู้ขึ้นมาแล้วนะมันก็จะตื่นรู้ขึ้นมาจนในระดับหนึ่งแล้วมันก็จะเกิดนะเป็นผู้รู้ขึ้นมานะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเนี่ยมมันนสาารถเป็ได้ใ เมื่อใดที่เราจิตตื่นรู้เราจะรู้สึกว่าเราจิตตื่นรู้แล้วนะเราก็รู้สึกว่าเออตอนนี้นะจิตมันเริ่มตื่นรู้แล้วมันรู้เนื้อรู้ตัวนะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้แล้วจิตก็จะเริ่มตั้งมันเป็นผู้ดูผู้รู้ไปนะมันจะเห็นอาการของกายยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดมันก็เป็นผู้ดูไปนะเป็นผู้สังเกตเป็นผู้เห็นในร่างกายต่างๆเหล่านี้นะว่ากําลังทําอะไรอยู่เขาก็รู้ทันเนาะ จิตก็จะเริ่มที่เรียกว่าจะสามารถสังเกตกายได้แล้วก็สังเกตจิตใจเราได้ด้วยนะบางคนบอกว่าเรา <c oughs> เราจะดูจิตนะไปดูจิตนี้ถ้าดูไม่เป็นมันก็จะแข็งจะแน่นจะทื่อนะเราจะมึนหัวด้วยแต่การดูจิตหมายความว่าอย่างไรก็คือเราไม่ได้ไปคอยเพ่งดูจิตแต่อย่างใดนะเราก็มีอุบายในการมาดูกายแทนนะ เมื่อจิตมีการคิดไปแล้วก็แค่สังเกตเท่านั้นเองตอนนี้จิตคิดแล้วนะเราก็สังเกตเราก็รู้ทันเออตอนนี้จิตคิดไปแล้วนะนี่แหละคือการดูจิตเนาะหรืออา่าเราก็อา่ารู้สึกตัวไปจิตไม่พอใจเราก็สังเกตเห็นว่าจิตไม่พอใจเกิดขึ้นหรือจิตมีความพอใจเกิดขึ้นเราก็สังเกตเห็นนี่แหละคือการดูจิตนะเพราะเราไปดูจิตตร ง, ตงๆไม่ได้แต่ใส่กายนี่แหละนะเป็นเครื่องรู้ของกายปั๊บเนี่ยมันเมื่ออยู่กับกายแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นจิตใจได้นะครับ เพรา ะ, ะนั้นหลวงพ่อคเขงเลยบอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมเนาะเมื่อเราดูกายเราก็เห็นจิตได้ดูความคิดเราก็เห็นธรรมเห็นสภ า, าวธรรมที่เขาเกิดก็แล้วก็ดับต่างๆเหล่านี้ได้เนาะนี่แหละมันเป็นหนทางที่เราว่าเราจะกลับมาสังเกตจิตใจเราได้เขาเรียกว่าเป็นจิตตาอนุ ป, ปัสนาสติปฐานก็คือเราจะรู้ว่าอขณะนี้จิตเป็นอย่างไรเนาะในะจิตตาอนุ ป, ปัสนาสติปฐานก็บอกว่า จิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นก็คือกลับมารู้จิตใจตามความเป็นจริงนะถ้าไม่ได้บอกว่าจิตมีราคะก็ไปละราคะแต่ให้รู้นะจิตมีโทสะก็ไม่ได้ไปละโทสะแต่ให้รู้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ การที่เราแค่ตามรู้เท่านั้นเองนะรู้โดยที่ไม่ซักแซงจัดการอะไรกับเขาแค่เรารู้เท่านั้นเองการที่เรารู้นะอันนี้ครูบาอาจารย์ว่ารู้ซื่ อ, อรู้เฉยเฉยไม่ต้องจัดแจงอจัดการอะไรกับเขานะอันนี้มันเป็นประเด็นสําคัญว่าเออเรารู้เฉยเฉยได้ไหมใช่หไหมถ้าเรารู้เฉยเฉยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือก็จะแสดงความเกิดระดับโดยตัวของเขาเองให้เราเห็นเนอะอย่างเช่นความคิดนะ อ, อความคิดนี่แหละบางคนเออ ความคิดไม่ดีนะอะมีความคิดปุ๊บก็จัดการ เ, เขาเลยให้เขาดับไปเลยหรือคอยตะคุบดูความคิดเลยมีความคิดปุ๊บะตะคุบเขาเลยรู้ทันเลยต้องดับทันทีนะไปคอยเพ่งคอยจ้องความคิดหรือความคิดเกิดปุ๊บเราก็มีวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขาดับไปณ น, น, นี้มันเป็นการดับโดยที่เราไปจัดการ เ, เขาแล้วเราก็ไม่เราก็จะไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเราอดทนได้ไหมดูไหมดูความคิดได้ไหม เราก็จะแสดงความจริงอย่างหนึ่งว่าเมื่อเขาเกิดแล้วก็ดับนะเขาเกิดแล้วต้องดับแน่นอนนะตรงนี้มันเราเราจากการที่เราสามารถที่จะเห็นรู้เฉยได้ไหมรู้ซึกซื่อได้ไหมเพราะเมื่อรู้ซึ้งซื่อรู้เฉยแล้วเขาแสดงความเกิดและดับให้เราเห็นอย่างแน่นอนนี่แหละคือดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนะธรรมก็คือเห็นสภาวะความเกิดความดับความไม่เที่ยงความไม่แน่ไม่นอนการเป็นของชั่วคราวการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของสภาวะธรรมทั้งหมด นะอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันนะมีความโกรธนะเรารู้เฉยๆได้ไหมเป็นผู้ดูผู้รู้เฉยๆได้ไหมนะไม่ต้องไปจัดการอะไรเขาเนาะถ้าเป็นผู้จัดการแล้วให้เขาดับไปมันจะมีเออเราจัดการแล้วเขาดับไปมันก็มีตัวเราไปผู้จัดการอีกเรารู้สึกว่าเราก็เก่งนะสามารถจัดการเขาดับไปได้นะมันจะมีเบื้องหลังแห่งความเป็นตัวตนอยู่เนาะ แต่เราดูเฉยๆนะความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดูเข้าไปดูเฉยๆรู้ซื่อๆเป็นผู้ดูเฉยๆในสุดก็แสดงถึงความดับให้เราเห็นเหมือนกันนะความที่เขาเกิดแล้วก็ต้องดับแน่นอนอยู่แล้วเราเห็นในตรงนี้ไหมนะเพราะอารมณ์ต่างๆเราจึงไม่ได้ไปจัดการอะไรเขาเลยนะความรักความชังความเกลียดความโกรธความมิดาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจทุกสภาวะเหล่านี้มันล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นนะอยู่ในที่เราจะเห็นเขาไหม นะถ้าเราเห็นตรงนี้บ่อยๆเราจะเห็นว่าเออทุกอย่างนะมันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของที่เรียกว่ามาแล้วก็ไปนะเมื่อจิตมันเข้าใจตรงนี้มันจะเห็นทุกอย่างเป็นแบนั้นแล้วจิตก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสภาวธรรมต่างๆเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการม่ยึติดเพราะว่าสภาวะต่างๆเหล่านั้นเมื่อเราเห็นบ่อยๆแล้วจิตก็จะเข้าใจว่านี่แหละมันเกิดแล้วมันก็เกิดมันเองมันดับมันก็ดับมันเอง เราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะมันเป็นภาวะที่เรียกว่าเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเมื่อบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นมันจึงไม่ให้ตัวไม่ตนของเรานะไม่ตัวไม่ตนของเรานี่มันก็เข้าประเด็นที่ว่าเราเห็นเมตไตรักษแล้วในความเป็นอนิจจังทูกขังนัตตาเนาะจิตที่เข้าใจความจริงได้บ่อยๆในภาวะที่เกิดระดับมาแล้วก็ไปมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวนั้นจิตก็จะไม่ยึดมั่นถึงมันกับภาวะธรรมต่านั้นแล้วก็จะปล่อยไปอย่างรวดเร็ว อันนี้เมื่อแต่เมื่อใดที่เป็นของเราเป็นของเราเป็นเราโกรธเรารักเราชางังมันก็ไม่ปล่อยนะมันมีตัวตนเราอยู่เพราะงั้นการบัตรธรรมทั้งหมดก็คือกลับมาสู่ประเด็นที่ว่าเราเห็นในภาวะที่เราบังคับบัญชาไม่ได้อได้ไหมใช่หไหมถ้าเราเห็นการบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยเราจะเข้าใจสภาวะว่าเออทําไมเมื่อวานเราไปวัตรธรรมเราดีรู้สึกตัวทั้งวันทําไมวันนี้มันไม่ดีนะอะ คนที่ไม่เข้าใจก็จะมีความทุกข์ว่ามันไม่ดีนะหรือไปไปมันต้องปีงแล้วมันก็ไม่เห็นมันจะดีถาวรเลยก็มีความทุกข์แต่ทําไมเราไม่กลับมาเห็นว่านี่แหละเพราะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นนี่แหละคือความจริงมากกว่านะเราเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับการปฏิธรรมเพราะว่ามันไม่เป็นของเที่ยงแท้น่นอนมันจะไม่ดีถาวรแน่นอนนะบางครั้งมันก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะเมื่อวานดีวันนี้ก็ไม่ดี เมื่อเช้าดีตอนบ่ายก็ไม่ดีนี่คือความจริงซึ่งก็แสดออกว่าเราบังคับก็ไม่ได้ต่างหานะเมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วจิตที่เกิดการยึดมัน่นถือมั่นในความเป็นตัวตนมันก็เริ่มปล่อยโอ้บังคับมั่ชายไม่ได้นะจริงไม่ตัวไม่ตนของเรานะจิตก็เริ่มคลายออกคลายออกจากการยึดมัน่นถือมัน่นในพระธรรมทั้งหลายแหลนะจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการมีติดในพระธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะัมันก็เกิดการเข้าใจมาตามลาดับ นะว่าการบัตรธรมันไม่ต้องไปเอาอะไรกับเขามันกลับมาเห็นความจริงได้ไห ม, ไ, หมไม่ใช่บัตรธรรมแล้วมันต้องดีนะต้องดีต้องดีทุกๆครั้งอันนั้นมันคือตันหาตังหาแต่การบัตรธรรมก็เพื่อให้เห็นความจริงนะตามที่เขาเป็นจริงๆเป็นการบัติธรรมเพื่อการเรียนรูนะ้เรียนรู้ตัวเราเองเรียนรู้จิตใจเราเองว่าจิตใจเราเป็นอย่างไร จิตใจเราดีหรือไม่ดีนะจิตใจเรามีความโกรธความรักความชังมีอยู่จริงไหมนะการที่เราเรียนรู้ความจริงในตรงนี้นั่นแหละมันจะออกจากตรงนั้นได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีเราจะออกจากความไม่ดีไม่ได้นะถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนขี้โกรธเราจะออกจากความขุ่นไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนขี้น้อยใจเราจะออกจากความน้อยใจไม่ได้กลับมาเรียนรู้ความจริงว่านี่แหละเราก็ยังเป็นคนไม่ดีนะมีความโกรธความรักความชัง ต่างๆแล้วเนี่ยก็คือเราเรียนรู้ความจริงเพื่อให้เขาแสดงออกในความเป็นจริงการบรรธรรมก็มคือให้เห็นความเป็นจริงเพื่อเห็นความเป็นจริงแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะเราบังคับบัญชาอะไรก็ไม่ได้เลยเ ข, เ, เขาเกิด เ, เขาก็เกิดเองเขาไปเขาก็ไปเองเราไม่น่าที่เป็นผู้ดูผู้รู้เท่านั้นเองนะเมื่อเราเข้าใจนี้เราก็จะมาเข้าใจที่พระเจ้าบอกว่ารูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือกายและใจเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อ, อนัตตาก็หมายความมันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะ เพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ว่ารูปเว็นาสัญญาสังขารมยัมย้งคือกายและใจไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราแล้วสิ่งที่เกิดจากใจคืออาการของใจคือความรักความชังความโกรธความเกลียดเป็นต้นก็จึงไม่ใช่ของเราด้วยนะมันเป็นของอะไรก็คือของใจไม่ใช่ของเรานะใจก็ไม่ใช่เราแล้วสิ่งอาการของใจเช่นอารมณ์ต่างๆก็จึงไม่ใช่เราด้วยเราก็มีหน้าที่แค่ดูนะเอ็งนะเกิดก็ไม่เป็นไรโกรธก็ไม่เป็นไร เกียรก็ไม่เป็นไรเรามีท่านดูว่าเออของเขาเองนะไม่แช่งเราเราก็อยากเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูเฉ ย, ยๆเท่านั้นเองดูอาการต่างๆที่เขาเกิดแล้วก็ดับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจิตก็จะค่อยๆเข้าใจแล้วเกิดการปล่อยการวางไปเรื่อยๆนะมันไม่มีตัวตนที่ว่าเราไปสังเวยไปรับสภาวะต่า ง, างๆเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วนะจิตก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงนะเพราะตรงนี้ก็มาตรงที่อครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อเข้าใจในภราหมณ์ทแล้วก็จะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็น นะรู้เฉยๆดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมแล้วก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรนะมันออกจากความทุกข์ได้จริงๆในตรงนี้เนาะนะสภาวธรรมตรงนี้เป็นสภาวะที่เรียกว่าเป็นไปตามสติปัฏฐาน4ี่ที่พระเจ้าบอกว่าเป็นหนทางเอกหนทางมาเสริฐที่ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆนะพราะฉะนั้นก็อาศัยในการบัติธรรมในตรงนี้เพื่อให้เข้าถึงสติปัฏฐาน4ี่คือกายเวทนาจิตธรรมนะโดยที่เรียกว่าเราไปฏบัติธรรมแล้ว เราก็มีความสุขจากการปฏิธรรมเนาะทำสบายๆไม่ต้องเคร่งเครียดวางใจสบายๆด้วยความที่เรียกว่าจิตก็เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเข้านะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่ใจเป็นกลางเนี่ยสำคัญกว่านะใจเป็นกลางรู้ตามความเนจริงนี่แหละใจก็จะเป็นกลางการที่เรารู้ตามความจริงก็คือเรายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นี่แหละการยอมรับพระไตรักแล้วนะเราก็จะไม่ทุกจากการปฏิธรรมอีกต่อไปเราก็จะเกิดดวงใจธรรมอย่างไม่ลำบากเนาะ ในท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาบารมีคุณประไตรน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอินอรังสมาสมุทโภพคาวา